ถ, ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดการเกิดของสัตว์โบราณในโลกมกันเทวานามว่ามันเกิดได้ยากมีใครรู้ว่าการเกิดเนี่ยอย่างบางอย่างมันได้คันใช่ไหมเนี่ยทำกรมอะไรแล้จะเกิดได้คันอย่างมนุษย์ก็มาเกิดได้คันแต่มนุษย์ดัง้งเดิมมนุษย์ต้นกลับพวกเราเลยนะ โลกของเราเนี่ยพอมันสลายไปแล้วมันกลับมาใหม่มันจะเป็นแก๊สเป็นอะไรแล้วก็เป็นน้ํามนุษย์แรกเลยนะมาจากโคลมนะเกิดเองนะไม่มีพ่อไม่แม่เลยนะเนี่ยที่แรกเป็อย่างนั้นพอมาเกลิดมากเข้ามากเข้าต้องเข้าไปนอนทรมานอยู่ในท้องก้าวเดือนแต่มีมันจะมีมนุษย์ที่เกิดเองไม่มีพ่อไม่แม่เนี่ยมนุษย์อยู่ในอุตลาร์คุณฑรีไม่ใช่มีเฉพาะรวมเรานะมีโลก มีมนุษย์มีทวีหนึ่งของเราเรียกชยนุษยเทวีนอุตระพื้นเทวีเนี่ยเขาเกิดเองไม่มีพ่อมีแม่ถ้าใครอยากรูจักเขาก็ น, นั่งเึรืงบินไป <c oughs> ขอเช็คแคนแล้วกัน <c oughs> อันนี้คืองบินไปไม่เห็นเขาหรอก ว, วันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับกัมเนอร์ แล้วต่อคติที่จะไปเี๋ควเรับเกื่อได้ยังไงเพื่อที่จะเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะเราจะได้มั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหมดที่เราที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้มาจากยานของเจ้าทั้งหมดแล้วนี่สิ่งที่พุทธเจ้าเอามาสอนก็เหมือนกันมาจากยานนะคำเลิศสิ่ในคำเลิศนี่นะว่า ก, การเกิดของศาตร์ทั้งหลายมีสี่อย่าง แล้วพระพูดจะเรียกัาษาภาษาลีบุภรษารีบุกรรมเลิอดมีสีประการสีประการเป็นชนิดคืออันพชะกรรมเลิอดชาลาพุชักกรรมเลิกสิงสังเสทชากรรมเลิอโอปาโอปปาติกกกรรมเลิอสารีบุกรก็อ่านพชะกรรมเลิอดเป็นฉนิดสับแ้งไลายเหล่าใาญ่ชั้นแรกเลือกไขเกิดมานี้เรียกว่าอันพชักกรรมเลิดสารีบุรชาลาพุชักกรรมเลิอดเป็นชนิด สัตว์ทั normally, time, time, jumping, ้งหลายเห่าใดชั้นแรกมดลูกเกิดมานี้เราเรียกว่าชะลาทิชะากัเลิดสารีบุตสังเสทิชะากัมเลิดเป็นชนิดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมปูหรือในน้ำคลำในเท่าไคลวงไดเปิดของสดับปลดวงได้ปิดนี้เราเรียกว่าสังเสทิช่กัเลิด สารีบุตรโภพพาติกากำหนดเป็นช น, นเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจําพวกนี้เราเรียกว่าโภพพาติกากำหนดสารีบุตรนี้แหลคือกำเนดสี่ประการสารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมจริงของมนุษย์ ที่เป็นยามทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอญญายักษ์ของพระสมณะโพนม่มีพระสณะโพนมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคนคิดแก้แย้งได้เองสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่ละสละคผู่ที่ผิดนั้นเสีย ย, งงย่อมถูกนรกดังสูกนำมาฝังไว้ อันนี้คือในยุคสมัยนั้นคงจะมีผู้ที่ไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคิดเอาลึกเอาดึกกองเอาแล้วก็เอามาสอนเนี่ยพระุธเจ้าบอกว่าถ้าใครคิดอย่างนั้นน่ะถ้าไม่สลับคุณทิทีนี้ตกนรกสถานเดียวเลยเหมือนดังถูกนำมาฝังไว้สารีบุเปลี่ยนเสมือนภิกษุหู เหมือนพิสูจพูดถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึ่งกระยิ่มพลังสะพนในปัจจุบันทีเดียวชั้นใดสารีบุตรเรากล่าวข้อความนี้ฉันนั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สลับพื้นที่ทีนั้นเสียยอ่อมตกนรกดังถูกนํามาฝังไว้สารีบุตรคติมี5ประการทีนี้คนตายไปแล้วหนิสสาตายไปแล้วไปไหนไปได้ห้ห้า หาพี่มีคติห้าประการห้าประการเป็นชนิดคือนรกกำเนิดเดทารฉานเปรตพิสัยมนุษย์เทวดาสารีบุตรเรารู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏจิมธาอันจดยังสัตว์ให้ถึงนรก อ, อันนี้เรารู้ชัดข้อที่สัตปฏิบัติแล้วเพื่อหน้า แ, แต่ตายของการแตกย่อมเข้าถึมาย้ติพิญบานรกด้วย สาลีบุตรเราย Herz, mainland, ia, i i. ่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งเรารู้ชัดข้ water, Nine, 1> <1 อพ voilà> ี่ัตปฏิบัติแล้วเบื้องหน้าแตกตายก็กายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานด้วยสาลีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรือพิสัยทางไปสู่เปลือพิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรือพิสัย อันหนึ่งเรารู้ชักข้อที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเพื่องหน้าแต่ตายเพรกายแตกย่อมเข้าถึงเกิดวสัยด้วยสาลีบุตรเรารู้ชักซึ่งเหล่ามนุษย์ทางอันยังสัตให้ถึงมนุษยสยาโลกและปฏิปทาอันจะยัสัตให้ถึงมนุษยสยาโลกอันหนึ่งเรารู้ชักข้อที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเพื่องหน้าแต่ตายเพรกายแตกย่อมปฏิบัติในหมู่มนุษย์ด้วยสาลีบุตรเรารู้ชักซึ่งทเทวดาทั้งหลาย ทางอันยังสัตให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งเรารู้ชักข้อที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่ไ ก, กายแต่ตายเพรากายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยส า, าลีบุตรเรารู้ชักซึ่งพระนิพพานทางอันยังสัตให้ถึงพระนิพพานและปฏิปทาทําจะยังสัตให้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งเรารู้ข้อ เรารู้ชัดข้อที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอาันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ด้วยอุปมาข้อที่1สาลิบุตรเรากําหนดรู้ใหญ่บุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเเรวยทุกขเวทนาอะไรกร็้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักจกจุจากสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์สาบีบุจเตรียมเหมือนหลุมัางเลิงลึกเกินกว่าช่วงัวคน เต็มไปด้วยทางเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีกายอยู่ความร้อนแผ่นเผาครอบงำเน็ตเหนื่อยสะทกสะท้านหยู่กระหายมุ่งมาสู่หนุนผานเพลงโดยตรงโดยทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุดถึงของแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรผู้จเจริญ น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินไปอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหนุนผ่านเพลินี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมาบุคผู้มีจกักษุนั้นก็เห็นเขาตกลงในลิบลาดดันั้นเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเดือดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ชั้นใดสาหริบเรากําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่าบุคคนนี้ปฏิบัติอย่างนั้นําเดินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่น้ำพังนั้นเกลื้อนหน้าแต่ตายพวกกายแตกจากเข้าถึงอบายทุกสกี่มีบาสนรก โดยสมัยต่อมาเราได้เห็นจุคนนั้นเบื่องหน้าแต่ตายก็กายแต่เข้าถึงอาบายทุ ก, กติอินิบาทนรกเสวยยุคเวทนาอัแนแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักสุปอันบริสุทธ์ลวกจากสุป ข, ข, ของมนุษย์สแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั้นจริงหมดเพราะองค์รู้เหตอ ย, ยามขององคจริงๆกําหนดรู้ที่ใจจากใจไปที่ใจเพราะฉะคุณภาพของใจนี่สําคัญมาก เพราะนั้นในตัวคุณภาพของใจนี่แหละที่พาไปเกิดแต่ว่ามีทางออกอันหนึ่งถ้าใครปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุมรรคผลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของใจได้ไมทําให้คุณภาพของจิตใจดีขึ้นมาได้เปลี่ยนแปลงแทนที่จะตกระลอกเนี่ยถ้าบรรลุพระโสดาบันคนก็กปิดประตูอวัยวะอืนได้หรือว่าเราเคยทํากรรมไม่ดีมาถ้าเราเปลี่ยนแปลงที่จิตใหม่เลยมุ่งมาที่ มีความศรัทธาเรื่องสในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มันที่จะทำความดีคุณภาพจิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เราสามารถเปลี่ยนคัติดได้นี่อันนี้มีทางออกให้เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ให้มันชัดแจ้งว่าพระเจ้านี่เห็นเห็นด้วยยามของพระองค์ทั้งหมดเลยตอนนั้นสิ่งที่พระองค์พูดนะ่ะจริงถ้าใครไม่เชื่อตามหรือว่าปฏิเสธ แล้วไม่คืนความเห็นอันนั้นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คืนความเห็นอันนั้นความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงนั้นพูตเจ้าบอกว่าอันนี้จะตกในโลกสถานเดียวอุเบกมาข้อที่สองสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจอีกคนบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดาเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่พ้นทางนั้นเพื่อหน้าแต่ตายเพราะกา ย, ตา ย, ตายแต่จะเข้าถึงกําเนิดเดียรัชฌานโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแตกตายก็รากายแต่เข้าถึงกำเนิดเยราฉามสวยทุกเวทนาอันแรงกลาเผ็ดร้อนด้วยทิพยจักรสุพรรณบริสุทธ์ล่วงจากสุดของมนุษย์สาบุตรเปรียกเหมือนหลุคูดลึกเกินกว่าชั่วตัวคนเต็มไปด้วยคู่ลำดับนั้นบุตผู้มีกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงางำเหน็ดเหนื่อยสต๊กสถานหิวกระหายมุ่งมาสู่คู่นั้นโดยตรงโดยทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วครูลกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้จเจริญ น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดาเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่พุททางนั้นจะมาถึงหลุมผูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็เห็นเขาตกลงในหลุมผู้นั้นสวยทุกขเวทนาอะไรก็เด็ดร้อนแม้ฉันใ ด, ด้สาบิบเรากำหนดรู้ใจคนบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเดินไปอย่างนั้นและขึ้นสุน陀ทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพกายแตกจะเข้าถึงกำเนิดเจรัจานโดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพรากายแตกเข้าถึงกำเนิดเจรัจานสวยทุกขเวทนาไรงกระตุ้นรอ้อนด้วยทิพ ย, ยจักรสุขอันบริสุทธเบื้องจากสุขขอนุษอุปมาข้อที่สสารีบุตรเรากาหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วย ใ, ใจอย่างนี้ว่า ุคค น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่้นทางน้นเครืองหน้าแต่ตายกกายแตกจากเข้าถึงเกรงปีศายโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเปลืองหน้าแต่ตายก็กายแตกเข้าถึงเกรงปีศายสมยทุกขเวทนาอันเป็นอันมากด้วยทิพยจักสู่อันบริสุทธ์ล่วงจากสูตของมนุษย์สาลิกุเตเปียกเมืนอนต้นไม้เกิดในื้นที่ไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่เบาบาง มีเงาโคลงลําดับนั้นบุรุษผู้มีกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ตเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นโดยตรงโดยทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่ขนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นเห็นเขานั่งหรือนอนใต้เงาต้นไม้นั้น สวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้เปวนอย่างฉันฉนั้นเหมือนกันแลว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่วันทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตาโลกกายแต่จะเข้าถึงเปลกพิสัยโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคล น, นั้นเบืคค้องหน้าแต่ตาโลกกายแต่เข้าถึงเปกพิสัยสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก ด้วยคิดจับสุขอันบริสุทธิ์เรื่องจับสุขของมนุษย์ขบวนมาข้อที่4ีสารีบุเราย่อมกำหนดใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่ของทางนั้นเพื่องหน้าแต่ตาทุกกายแต่จับอุบัตในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเพื่องหน้าแต่ตายทุกกายแต่อุบัตในหมู่มนุษย์สวยทุกคย สวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยจิตพยะจกักษุอันบริสิทธ์ล่วงจากสุขของมนุษย์สาหริบเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมมีใบอ่อนและใบแก่หนามีเงาทึกลำดับนั้นบุรุษผู้มีกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหนในส่อยกระทบกระิ้งกระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นโดยตรงโดยทางสายเดียวบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่า องคนี้ปฏิบัตอย่างนั้นดำเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่ของทางนั้นจะมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาผู้มีจักษุนั้นเห็นเขานั่งหรือนอนใตน้เงาต้นไม้นั้นเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันได้สาริบุเรากาหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจยฉันนั้นเหมือนกันแลว้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแตกตายของกายแตกจักอุบัติในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแตกตายของกายแตกอุบัติในหมู่มนุษย์สร้อยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยคิดพยาจากสู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์อุปมาข้อที่สี่สาหริบเรากําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่บนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายพรา ก, กายแตจกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพร ก, กายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวธรรมนุษย์นี่สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแต่ว่า ถ้าไปสวรรค์แล้วสมไวสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยที่พยบจักรสุขอันบริสุทธ์ล่วงจักสุขของมนุษย์สาริบุตรเปรียบเหมือนปราศาสซึ่งมีเรือนยอดซึ่งฉากทาดีแล้วมีวงกรอบอันสนิทฉากทั้งภ า, ายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้จิตกรอนแน่นประตูและหน้าต่างปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้นมีบรนลังอันลาดด้วยผ้ า, าโคเชาขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเทียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องราดอย่างดีทําด้วยหนังเชมดมีเพดานกั้นในเครื่องบนมีหมอนแดงวางสองข้า ง, งลำดับนั้นบุรุษผู้มีกายถูกความร้อนแผดเผาครอบําเด็กเหนื่อยสะพกสะทานหิ้วกระหายมุ่งมาสู่ปราสาทั้ำโดยตรงโดยทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า รุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจับมาถึงปราสาทนี้ทีเดียวโดยลาดับโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุตนั้นเห็นเขา น, น, น, น, น, น, เ น, นั่งหรือนอนบนบรลลังก์ในเรือนยอดนัปราสาทนั้นสมยสุขปรินนาโดยส่วนเดียวแม้ทัในใดสารีบุเรากำหนดรู้ใจคนบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่มรรคนั้นเพื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตจกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเพื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักรสู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์สาหรีบุตรเรากำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นและขึ้นสู่นทางนั้นจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ่งไปด้วยปัญญาอันยิ่เองในปัจจุบันเข้าขึ้นอยู่โดยสมัยต่อมาลองเห็นุคนนั้นทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสูญไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าขึ้นอยู่ สวยสุขเวทนาโดยส่วนดเดียวอันนี้ก็สุขเวทนาโดยส่วนเดียวเหมือนกันสร้างอยู่เตรียเบเหมือนสระบัวรณีมีน้ำอำันใสสะอาดเย็ไใสตลอดมีผ้าอันดีน้าพิอิตรและในที่ไม่ไกลสบบระบัรพลันนั้นมีแนวป่าลึกลำดับนั้นไปดูทุกนากาสุดความร้อนแผดเผาทอดงามเน็เหนือ่อกระทบกระนากือสะาน ผู้มาศึกษาบุคลรณีนั้นโดยตรงโดยทางสายเดียวคนที่มีจักษุเห็นเขาแล้วกลุกล่าวอย่างนี้ว่าคนผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นด้าเดินไปอย่างนั้นและที่สิ่งทานั้นจากมาศึกโาบุคลาลีนี้ทีงเดียวโดยสมัยต่อมาคนที่มีจักษุนั้นเห็นเขาลงศึกโาบุคลาลีนั้นอาบและเดินละนับความกังวลกรวายความเนเหนื่อยและความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวฝั้นสวยสงนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันได้สาลิบเรากำหนดวิจัยบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่าบุคคลผู้นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินไปอย่างนั้นและซึ่งสูงทางนั้นจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตนุตตัญญามุตัญาอาสวะวิดา เพราะอาศวะทั้งหลายสิ้นไปด้่อปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงูโดยสมัยต่อมาเราย่อม็นอยู่นั้นทำให้แยกสิ่งเกรตรงนุปปัญญานุปัห า, าอาสวะม่ได า, าอาศวะทั้งหลายสินด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่สเสมอสุขเวนาโดยส่วนเดียวสาลีบุญนี้และคือทัติแหประาสาลีบุญผู้ใดคึอว่าสึ่งเรานี้ อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมอายุของมุษที่เป็นยานทัศนะอันพิเศษพอแก่ความเปลนอารยธของพระสมณะของพระสมณะโรมไม่มีทัศนมณะโรมทรงสแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความเจิญที่ไต่ตองด้วยตามผลคิดแก่งแจ้งได้เองสาริบผู้นั้นไม่ับวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียเมื่อสลักดุจทิฏฐินั้นเสียย่อมตกนรกดังถูกนํามาฝังไว สามบุเปรียบเหมือนทิศสุขพุทธิ์ร้องด้วยศีลร้อมด้วยสมาธิพร้อมด้วยปัญญาทุนขยิมกระลผลในปัจจุบันทีเดียวแม้ฉันใดเรากล่าวข้องประมัยนี้ฉันนั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละควา ม, มคิดนั้นเสียไม่สละคผูที่ผิดนั้นเสียย่อมตกนรกดังถูกนํามาสองไลน์อันนี้ให้เรารู้ว่าสิ่งนี้แต่ การเกสัตว์ท uh uh, ั้งหลายมีสอย่างตเกิดในไข่เกิดในท้องเกิดในน้ำเน่าเกิดในตดเกิดในขนองปูดในที่สกปรกเดียร์อีกประเทศหงก็คือเกิดโดยเปลือกปั๊บโตเลยเป็นหนุ่มสาวได้เลยเกิดพวกสัตว์ในโกพวกเปลือกบางจำพวกมนุษย์บางจำพวกหรือเทวดาเมื่อเราเข้าใจอยู่นี้แล้ว เราก็เชื่อมมันในปรัสอนของยอดและสติทำยอาสานบอกว่าเออทำอย่างนี้แล้วตกระลงนะเราจะต้องสัามวลระวังแล้ววบคุมจิตทงนี้ไปเป็นสัตย์เยรฉานแล้วก็ต้องสัมมวลระวังแล้ถ้าพิจิตต์ตกระลงนี่ผู้พิทนาส่วนเดียวเลยตกหลุมรู้คานเริ่มตกสัตย์เยรฉานก็เหมือนตกหลุมขุหนุนอุจจาระถ้าหาว่าพวกเบลี่ก็เหมือนกับ กำลังร้อนร้อนเนี่ยไปถึงต้นไม้ที่มันไม่สม่ำเสมอพื้นที่เขาไม่สม่ำเสมอไปอ่อนใบแก่กร่อนน้อยเข้าไปนั่งไปนอนในนั้นประทุกโพเวทนาเปน็นอันมากถ้ามาม น, มนุษย์กงเหมืองงนกับต้นไม้ที่มันใบอ่อนใบแก่หนาทึ้เข้าไปแล้วก็เกยน็นสบายสุพเวทนาเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่า ในโดยบนสวรรค์ ก, ก็เหมือนแต่ว่ามีปราสาทมีที่อยู่ที่อาศัยนุ่นสะดวกสบายมีสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแต่ถ้าทำให้แจ้งซึ่งพรนิพพานเหมือนเห ม, มือนไ ع, ไปที่สระบกทรณีน้ำเยน็นมีท่าสะดวกสบายหน้ารุ่นลมแล้วก็มีแนวป่าสงบเยือกเยน็นไปอยู่น้ำ่าบน้ำมี แล้วก็ไปนอนพักในป่าลมรลึ่ลมเย็นนั้นสวยภสุขเวทนาโดยส่วนเดียวไม่มีทุกขเวทนาเลยอันนี้เป็นคตนิของมนุษย์หรือว่าของสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วเราก็มาศึกษาว่าทำยังไงทางดำเนินไปของชีวิตเราเนี่ยจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ข, ของเราเ <c> อ <oughs> ่อไปนี้ให้เราสรํารวมแล้วปฏิบัติตามควาริงจสํารวมิใจ ถ้าหากว่าเราอยากพิชิตเราอยากเปลี่ยนคุณภาพจิตเราอยากพิชิตชีวิตเราให้มีทางออกที่ดีที่สุดก็คือศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติาตามอันนี้สามารถเปลี่ยนคุณภาพจิตได้เปลี่ยนทางเดินของจิตได้แล้วเราทํากำหนักขนาดไห น, แ ต, นแต่ถ้ายิ่งถึงมากพอถึงมีธรราพเมื่อไหรแล้วก็พ้น จากการเรียนว่าด้วยนี่คือสิ่งที่พู้เจ้าทรงสอนนะ